สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับสัมผัสสยองเป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีกันหรือเปล่าอีกเดือนเศษก็จะเข้าสู่หน้าหนาวกันแล้วช่วงนี้อากาศแถวบ้านแอดมินก็แปรปรวนอยู่เหมือนกันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเชา้ชาๆช้าอากาศเย็นสายสายก็ร้อนอุณหภูมิเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา้าอากาศบ้านใครแปรปรวนอย่างนี้ ก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้แอดมินมีเรื่องราวจากคุณตรีมาเล่าให้ฟังกันอีกแล้วซึ่งมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนของเขาเองที่ได้เกิดขึ้นระหว่างเดินทางไปท่องเที่ยวกันส่วนเรื่องราวที่เพื่อนๆและพี่น้องคนอื่นๆได้แบ่งปันประสบการณ์เข้ามาให้กับทางแอดมินตอนนี้แอดมินก็ทยอยเรียบเรียงอยู่นะครับเนื่องจากแอดมิน อ่านและเรียบเรียงเรื่องราวของทุกคนด้วยตัวเองก็เลยใช้เวลานิดหนึ่งอย่าเพิ่งน้อยดูน้อยใจไปนะแล้วถ้าหากใครที่ยังไม่เคยได้รับฟังเรื่องราวของคุณตรีก่อนหน้านั้นก็สามารถย้อนกลับไปฟังเรื่องผมขออยู่ด้วยและเรื่องกูจะอยู่ที่นี่ได้นะครับและต่อไปนี้จะเป็นเรื่องราวของคุณตรีที่ประสบพบเจอมากับเพื่อน แล้วได้นำมาเล่าให้อธมินฟังโดยคุณตรีได้เล่าว่าตัวตายตัวแทนถนนเรียบริมแม่น้ำโขงสัมผัสสยองสวัสดีครับผมชื่อตรี ที่เคยมาเล่าประสบการณ์สยองขวัญของผมให้ฟังมาแล้ววันนี้ผมได้มีโอกาสที่จะมาเล่าประสบการณ์สยองของผมอีกครั้งซึ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อเจ็ดเดือนก่อนตอนนั้นผมกับเพื่อนได้นัดกันไปเที่ยวทางภาคเหนือนัดกันไปหคนโดยขี่รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ไปคนละคันกล่าวว่าจะวิ่งทริปไปด้วยไปถึงที่ไหนก็ค้างที่นั่น แล้วพวกเราก็ออกเดินทางจากนครพนมจุดท่องเที่ยวแรกคือจังหวัดอุดรธานีพวกเราไปเที่ยววัดป่าภูกอนตำบลบานกองอำเภอนาหยูงจังหวัดอุดรธานีที่นั่นมันสวยมากๆครับไม่ผิดหวังจริงๆหลังจากเที่ยวที่วัดป่าภูก้อนเสร็จตอนนั้นก็เกือบพ่มแล้วพวกเราเลยคิดว่าจะมุ่งหน้าตรงไปยังริมโขง พากันขี่เรียบริมโขงไปจนถึงเชียงขานแล้วพักที่นั่นแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นที่นั่นเองเพราะพวกเราออกจากวัดภู ก, กรอนปุ๊บก็มีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าแม่โทรมาบอกให้กลับด่วนต้องรีบกลับเมื่อผมได้ยินผมก็รู้สึกเซ็งอยู่เหมือนกันเพื่อนอีกคนหนึ่งมันก็บอกว่าแฟนมันป่วยต้องกลับด้วย แล้วเพื่อนทั้งสองก็กลับไปเหลือพวกเราแค่สี่คนในการท่องเที่ยวจุดต่อไปสี่คนที่เหลือมีผมแม็กบิก๊กตนพวกเรามุ่งหน้าต่อขี่มาสักพักจนไปถึงสามแยกใหญ่ก็จอดรถแล้วก็เห็นป้าเขียนว่าถ้าหากจะไปหนองคายให้เลี้ยวขวาจะไปเลยหรือเชียงคานให้เลี้ยวซ้าย พวกเราจึงเลี้ยวซ้ายขี่ไปทางเชียงคานเพราะผมเลี้ยวมาซึ่งเลี้ยวมาเป็นคันที่สามก็มองกระจกหลังว่าเพื่อนอีกคนตามมาหรือเปล่าก็เห็นว่ามีเพื่อนคนหนึ่งยังจอดรถอยู่ที่สามแยกนั้นไม่ยอมตามมาผมจึงจอดรถแล้วหันกลับไปมองตะโกนว่าเฮ้ย hey, ต้นมึงเป็นไรวะเลี้ยวมาสิเว้ยรถมึงสตาร์ทไม่ติดเหรอ เอาใดเกี่ยวไหมวะเร็วๆรีรบมาฮกกูเลี้ยวมากันหมดแล้วเนี่ยแต่มันกลับบอกว่าฮกเมืองไปกันเถอะกูรู้สึกไม่สบายสงสัยกูจะป่วยวะ่ะผมจึงคว้าโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋าแล้วรีบโทรหาสองคนที่กลับไปก่อนหน้านั้นเพื่อจะให้รอยตนด้วยแต่ในขณะที่ผมกำลังโทรศัพท์อยู่นั้น ก็เห็นวิญญาณผู้หญิงตนหนึ่งนั่งซ้อนท้ายรถไอ้ต้นอยู่จึงวางโทรศัพท์แล้วตะโกนบอกว่าไอ้ต้นสองคนนั้นมันกลับไปไกลแล้วมากับพวกกูเถอะตอนนั้นผมรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดี <c oughs> ก็เลยคุยกันกับเพื่อนอยู่ที่สามแยกนั้นคุยกันอยู่นานมาก <c oughs> จนเวลาล่วงเลยมาถึงสองทุม่ม <c oughs> ผมสังเกตเห็นว่าระยะเวลาที่เราคุยกัน ตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงสองทุมเส้นทางนั้นกลับไม่มีรถผ่านมาเลยแม้แต่คันเดียวด้วยความเป็นห่วงผมจึงบอกกับต้นไปว่าให้ไปด้วยกันเถอะมันดึกแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีตนนิ่งเงียบตัดสินใจอยู่ครู่หนึ่งก็ตอบกลับมาว่าตกลงจะไปด้วยกันต่อพวกเราทั้งสี่คน จขี่รถต่อไปยังเชียงคานมันเป็นเส้นทางที่มืดและเปลี่ยวมากไม่มีบ้านคนระหว่างทางที่ขี่รถมานั้นผมก็เห็นวิญญาณของผู้หญิงวัยรุ่นคนหนึ่งยืนโบกรถอยู่ริมถนนซึ่งผมเห็นอย่างนี้จนเป็นเรื่องปกติแล้วก็เลยไม่ตกใจอะไรมากนักส่วนเพื่อนอีกสามคนมันคงมองไม่เห็น พวกเราขี่รถกันต่อไปอีกไม่ถึง10นาทีไ อ, ตอ้ตนคนที่ผมเห็นวิญญาณผู้หญิงซ้อนท้ายรถมันอยู่จู่ๆก็เกิดอุบัติเหตุขี่รถลงข้างทางรถบิ๊กไบทลลื่นไปไกลจากจุดเกิดเหตุอยู่พอสมควรเป็นระยะ 50-60 ถึงเมตรได้ส่วนตัวคนที่ขี่นั้นกระเด็นออกจากรถไปแล้วลาไปตกอยู่ที่สารเพียงตาเล็ก ที่อยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งเมื่อผมเห็นก็ตกใจรีบจอดรถแล้วโทรหากู้ภัยที่อยู่ใกล้ที่สุดพวกเรารออยู่ในความมืดที่มีเพียงแสงไฟจากรถให้แสงสว่างเพียงเท่านั้นไม่นานก็มีรถกู้ภัยมาถึงแล้วมีคนเดินลงมาจากรถหนึ่งในนั้นเดินตรงเข้ามาหาพวกเราแล้วลุงคนนั้นก็พูดว่า ตะวันตกดินลาวไม่มีใครเข้ามาถนนเส้นนี้กันหรอกพ่อหนุ่มถ้ามาก็จะเป็นแบบนี้แหละผมยืนอึ้งอยู่พักหนึ่งแล้วก็คิดว่าที่ลุงเข้ามาเร็วแบบนี้คงเพราะเขารู้ว่าถ้าหากมีใครมาถนนเส้นนี้กลางดึกแบบนี้จะต้องมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแน่ๆจากนั้นผมก็ไปบอกเพื่อนให้ตามไปดูไอ้ต้นมันก่อนระหว่างนั้น ผมก็เห็นผีผู้หญิงคนนั้นปรากฏตัวขึ้นอยู่ที่ข้างทางห่างจากที่ผมอยู่พอสมควรจึงเดินเข้าไปหาระหว่างที่เดินเข้าไปผมก็พูดในใจว่ามึงมาทำเพื่อนกูทำไมเนื่องจากผมสามารถคุยกับวิญญาณได้อย่างที่ได้บอกไปในเรื่องที่ผมเล่าไปในครั้งก่อนมันจึงทำให้ผมรับรู้ถึงสิ่งที่ผีตนนั้นได้ตอบกลับมา เธอคนนั้นบอกว่าเขาเป็นแฟนหนูหนูจะเอาเข้าไปอยู่ด้วยเมื่อผมได้ยินก็ตกใจไม่คิดว้ตนจะมาเจออดีตแฟนในชาติก่อนที่นี่ทำไมเธอถึงยังไม่ไปผุดไปเกิดตอนนั้นผมเริ่มใจเย็ยนลงแล้วก็บอกเธอคนนั้นไปว่าถึงชาติก่อนจะเคยเป็นแฟนกันแต่บุญวาสนามันก็สิ้นสุดเพียงเท่านั้น แล้วชาตินี้เขาก็มีแฟนใหม่แล้วด้วยน้องควรไปเกิดใหม่ได้แล้วไปอยู่ภพภูมิอื่นที่สมควรเถอะแต่วิญญาณ น, นั้นตอบกลับมาไม่ใช่ชาติก่อนแต่เป็นชาตินี้แหละมันทำหนูท้องเพราะหนูบอกว่าท้องมันก็หาว่าหนูท้องกับคนอื่นไม่ยอมรับผิดชอบหนูกรุ่มใจจึงพยายามขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปหาเขาที่นครพนม แต่รถกลับมาเสียหลักล้มลงตรงนี้กลายเป็นตัวตายตัวแทนเพราะทีน่นี่ก็มีผีดูอยู่แล้วด้วยไม่ค่อยมีใครผุผ่านมากันหรอกด้วยที่หนูท้องอยู่มีลูกอยู่ด้วยก็เลยกลายเป็นสองศพที่เสียชีวิตตรงนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีคนตายแทนอีกสองคนถึงจะหลุดพ้นได้เมื่อผมได้รับรู้เรื่องดาวนั้น ก็พยายามชี้ทางให้เธอคนนั้นเห็นว่าอย่าทาแบบนั้นเลยมันเป็นบาปกรรมในขณะที่ผมกําลังจะบอกอะไรต่อให้เธอเปลี่ยนใจวิญญาณตนนั้นก็เหมือนจะไม่ยอมฟังแล้วเธอก็หายไปผมยืนนิ่งคิดอยู่พักหนึ่งว่าจะทำยังไงต่อรถกู้ภัยก็เลี้ยวกลับรถออกไปกับเพื่อนๆผมแล้วก่อนหน้านั้น ตอนนี้ก็เหลือเพียงแต่ผมคนเดียวที่ยืนอยู่ท่ามกลางความมืดพร้อมกับแสงไฟของรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์คู่ใจผมจึงคิดได้ว่าต้องตามไปดูอาการของเพื่อนก่อนไม่รอช้าผมรีบขี่รถตามไปเมื่อผมมาถึงที่โรงพยาบาลก็เจอบิ๊กกับแม็กซึ่งหน้าตาของทั้งสองคนดูไม่สู้ดีนักผมจึงถามด้วยความเป็นห่วง ว่าต้นเป็นยังไงบ้างมันสองคนตอบกับผมด้วยน้ำเสียงที่ผมรับรู้ได้ว่าพวกมันกําลังรู้สึกอะไรมันบอกกับผมว่าต้นตายแล้วมันทำให้ผมถึงกับชอ็อกยืนนิ่งทำอะไรไม่ถูกแล้วผมก็ย้อนกลับไปคิดว่าถ้าไม่ชวนให้มันมาด้วยก็อาจจะไม่เกิดอะไรแบบนี้ขึ้นผมรู้สึกผิดและโทษตัวเอง สุดท้ายแล้วคลิปนี้พวกเราก็ไปไม่ถึงภาคเหนือเพราะมันกลับต้องจบลงด้วยคราบเลือดและน้ำตามันทำให้พวกเราเสียใจมากที่เพื่อนรักต้องมาจากไปแบบนี้ในขณะที่ผมกำลังยืนคิดว่าจะบอกกับทางบ้านของต้นไว้ยังไงดีไอ้แม็กก็พูดขึ้นมาว่าไอต้ตีมึงรู้ไหมตอนที่มึงหันไปตะโกนบอกไอ้ต้นที่3ามแย่ กกูก็จอดรดรอพวกมึงอยู่กูเห็นผู้หญิงที่ไหนไม่รู้นั่งซ้อนท้ายรถไอ้ต้นอยู่แต่ดูท่าทางแล้วมันแปลกๆไม่น่าจะใช่คนกูก็เลยไม่กล้าพูดกลัวมึงจะหาว่ากูบ้าแล้วไอ้บิ๊กก็พูดแทรกขึ้นมาว่าเออกูก็เห็นเหมือนกันว่ะแล้วตอนที่พวกเราขี่รถมากูเห็นผู้หญิงยืนโบกรถอยู่ข้างทางด้วยอะ่ะเออกูก็เห็น แล้วทั้งสองคนก็หันมาถามผมว่าเห็นเหมือนพวกมันหรือเปล่าแน่นอนครับว่าผมต้องเห็นมากกว่าพวกมันอยู่แล้วเพราะผมเป็นคนเห็นผีแต่ผมก็ตอบกลับไปว่าไม่เห็นอะไรเลยเพราะเกรงว่าจะทำให้พวกมันกลัวมากขึ้นไปอีกคืนนั้นพวกเราก็หาที่พักกันอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลนั่นแหละวันต่อมาเพื่อนอีกสองคนที่กลับไปก่อน ก็เดินทางมาหาพวกเราทั้งสามคนเพื่อรับศพของต้นกลับด้วยกันผมก็ได้รู้ว่าเพื่อนสองคนนั้นหลังจากที่รับสายผมที่โทรจากสามแยกเมื่อวางสายไปแล้วไม่นานนักก็มีสายโทรศัพท์เข้ามามันเป็นผู้หญิงพูดโดยน้ำเสียงเย็นยเยือกบอกว่าไม่ต้องรอแล้วจากนั้นสายก็ตัดไป พวกมันสองคนก็เลยขี่รถต่อไปพอขี่มาได้ระยะหนึ่งซึ่งไม่ไกลมากนักเพื่อนคนหนึ่งก็เห็นคนวิ่งตัดหน้ารถจนเสียหลักแต่ก็ยังประคองรถเอาไว้ได้ก่อนที่จะล้มลงจึงไม่เป็นอะไรมากนักส่วนเพื่อนอีกคนขณะที่ขี่รถอยู่ก็เห็นคนยืนคู่ขนานอยู่ข้างๆรถ ท, ทั้งทั้งที่ตอนนั้นรถวิ่งอยู่ แล้วก็มีความเร็วพอสมควรมันตกใจทำให้รถเเสียหลักไปเหมือนกันแต่ก็ยังประคองจอดได้อย่างปลอดภัยผมคิดว่าโชคดีมากที่สองคนนั้นไม่เป็นอะไรแต่ความโชคดีนั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับตนพวกเราต้องเสียเพื่อนรักคนหนึ่งไปตลอดการจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ทำให้พวกเรา ไม่ชวนกันขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปเที่ยวกันไกลๆอีกเลยสมภัสสยอง